วันนี้บรรยากาศดีบรรยากาศอย่างนี้คนจะทำอะไรเนี่ยคิดว่าบรรยากาศอย่างนี้คนททำอะไรเออถ้าเป็นนักภานาคนต่อแบบนี้ ระเบิดอาชีพอื่นเขาก็นึกถึงอาชีพเขาปกอปักเป็ดการป๊อบแต่งแล้วแต่อาชีพอันนี้คือธาตุความบริวาพ ร, มนะพรมวมมันก็คือธาตุตั้งคือธาตุตั้งสีที่มันแสดงตัวชัดเจน ก, ก็เกิดรองไม่เห็น คาว่าไม่เห็นก็คือไม่มีการวิปัสสนาน่เองความหมายดังนั้นการวิปัสสนาไม่ได้แปลว่าตั้งสำนักนั้นสันนิาเป็นวิปนะัสสนาก็คือเห็นความจริงตามความเป็นจริงจึงเรียกวิปนะัสสนาส่วนที่เราเห็นผิดถิวันมันไม่เรียกวิปนะัสสนาเรียกว่าวิปัสสนูไม่ค็อะไรอย่างกัน ในสมัยโบราณโบราณหมายถึงสมัยพุทธกาลหลักหรือวิธีการกำสอนของผู้ยิ่เจ้า ห, หลักๆไปสามอย่า ง, งทั้งเองที่ต้องใช้คือในสมัยพุทธกาลเราต้องเรียวลทัทีมันไม่มีเฉพาะของผู้ยิ่เจ้าของเราอย่างเดียวเรามีครูเรียกว่ า, าศาสดาทั้งหคนแต่ละคนก็ ในหลักการวิธีการในการสอนชัดเจนแล้วก็มีหนังสือลงหาเยอะแยะเมืแต่นี่คนนักกขียนบทก็คือพวกชีเปลือยพวกงงเขาก็เป็นที่ครูของเขาไม่ธรรมดาพอาถือว่าไม่ยึดไม่ถือปล่อยวางได้ไอเราถือว่ายังยึดยิงถืออยู่อยางปล่อยวางไม่ได้แต่เอบเปลือยเลย อันนั้นก็เป็นความเชื่อแล้วก็มีทัง้งหกรูในสมัยนั้นแต่ละวิธีการก็ะป็นวิธีวิธีารกรธธารทำสมาธิหลักๆเรียกโยคะโยคีย ค, คือประกอบคระเภียนั่นแหละธรรมดามั่งอุกฤษมัง่งแต่วิธีตั้งหลายหลเหล่านั้นคููจังเราก็ทดสอบทดลองหมดแล้ว แล้วพว่อถึงเข้าใจว่าอ๋อแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจเรื่องกายกับใจคือกายกับจิตเป็นมุ่งที่กายเป็นธรรมาธิกันตอนที่รธรมาธินจนตายคือกายมันดับแต่จิตมันไม่ได้ตายเลยเปลี่ยนวิธีใหม่าหาวิธีใหม่เพราะนั้นประมวลคําสอนหลักๆวิธีในสมัยพุทธกาลในครูทีเจ้าอันนี้หมายถึงของพวกเรา เราควรไม่โยงคำสอนกับพวกเขาซึ่งมีหลากหลายเยอะๆหรือบองที่คือพรามในเรื่องของเรานะั้นประการแรกก็คือการมุ่งไปิี่กระสินอันนี้ก็หลักข้อแรกคือการเพ่งในความหมายเพ่งกับอารมณ์เพ่งกับสีเพ่งกับดินเพ่งกับอะไรก็ได้ ใ, ใจมันจดจ่ออยู่กับอารมณ์นั้นๆเรียกกสนินั้น ทานจะเรียกเสียว่ากรรมฐาน40น่สิะถึงพุทธานุตเทธมาด้วยสังขารนิสติจากานิานสติเป็นตน้นแล้แต่ความตายอาสุพานหรือเพ่งดินน้ำไฟลมก็แล้วแต่เพ่งสีแล้วก็ทําให้ชํานานเรื่อวัสสีชํานานคืออะไรชำนานการเข้าชานานการออกจางานทำให้วันเกิดชำนานทำให้มั น, ด, น, น, มนดับ บองต้นของนี่คือข้อสิหลังจากนั้นก็คือฝึกให้ใจเรามีเครื่องอยู่เป็นกิจจารักษณะไม่ใช่เอาอะไรก็ได้เป็นเครื่องอยู่ท่านเจอวิหารธรรมหาอะไรก็ได้ให้ตัวเองเป็นเครื่องอยู่เวลาทุกวันนี้จะเป็นเครื่องอยู่คือที่พักที่อาศัยเพื่อร่างกายสักท่าเป็นรูปเป็นฝ่ายรูป ซึ่งปัจจุบันเราก็มีเช่นศาลาหลังนี้ตอนนี้มันป้องกันแดดป้องกนันฝนป้องกันลมป้องกันสิงสาล่าสัตว์ น, นี้เขาเรียก ว, วิหารแปลว่าที่อยู่ไม่ได้แปลว่าศาลาไม่ได้แปลว่าโบสถ์แปลว่าอาคารแปลว่าเครื่องอยู่ถ้าเราไม่มีวิหารคือเครื่องอยู่ตอนเนี้สมมติตอนนี้ไม่ศาลาหลังเราไม่มีอะไรเลยจะเกิดอะไรขึ้น มันตกออกมาเกิด อ, อะไรขึ้นเปียกหนาวสัน่นตามมาเราคงจะเห็นนะพวกสเพซสาตาทั้งหลายที่เผชิญสถาการมอย่างตอนนี้น่าจะสั่นงองอยู่ผ้ ม, มก็มีร่มกลางพวกเราก็มีนี้ไปฟื้นไฟไม่ต้องพูดถึงบนต้นไม้บ้างอยู่ใต้เดินบ้างเห็นไหมเจ็ตมันลำบากขนาดนั้นะ เราทุกข์ขะคือลำบากยู่ไม่ได้ทนไม่ได้รดัฐที่ให้ท่านมีวิหารธรรมคือทําเป็นเครื่องอยู่อยู่เพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายของเราปกติไม่ผิดปกติอยู่ประการแรกวิหารธรรมคือควอามเมตตาคือหนึ่งต้องการจิตของเราเป็นเมตตาให้ประกอบด้วยเมตตาถ้าเมตตาเราทำอะไรกันไม่ได้แม้แต่หมูหมากาไก่เราก็ทำร้ายเขาไม่ได้ถ้าเจิตมีเมตตา เรขาดเมตตาเมื่อไหร่ครก็จบกันเมื่อนั้นผมไม่ได้ทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันนั้นแม้แต่พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงมันทําได้หมดไม่มีความเมตตาเนะ น, นี่ยรักกันแล้ก็เมตตาแต่นามวิตาเปรคาเนี่นคือเครื่องอยู่ถ้าเจ็ บ, บุคคลใดไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องอยู่ในชีวิตประจําวันคนนั้นก็แปลว่าไม่มีเครื่องอยู่เลย คืไม่มีบ้านช่องห้องหองมีที่พักอาศัยฝนมาก็ตากฝนแดดมาก็ตากแดดคือหมายความว่าเอาลมอะไรมากระทบก็โดนหมดไม่มีเครื่องอะไรป้องกันกีดขวางหรือว่าบรรเทาเบา บ, า, บางให้มันลดน้อยลงไม่ให้เกิดผลกระทบเกนมากกันไปโดนเต็มๆตุสบสะพนไปฝึกก็เช่นเดีวยวกันลักษณะอาคารไม่ต่างกันเลย ความโลภมากระทบเต็มเต็มความโกรธมากระทบโดนเต็มเต็มโมหะคือความหลงเครอบงำก็โดนเต็มเต็มเพราะไม่เครื่องอยู่ไม่เครื่อนป้องกันก็ไม่มีเมตตาไม่มีกรุณาไม่มีความสงสารเอินดึ่งกันเลยกันไม่มีความยินดีคือมุทิตาใครทําความดีคนนั้นคนนี้นคนนู้นไม่ยินดีเลยไม่หลานมุธนาเลยมันตรงข้ามกันเดียวก็คืออิจฉาตาร้อน เป็นเขาได้ดีทนอยู่ไม่ได้นี่จิตที่เป็นอย่างนั้นจิตที่มันร้อนแล้วใครมันร้อนตัวเองร้อมเขาไม่รู้ว่ามันร้อนอที่สำคัญคืออุเปกขาคือการวางอารมณ์แล้วหลวงพก็เคยเทรกเรื่องนี้โดยเฉพาะกันหนึ่งมาแล้วเราลองเราไปยืฟังดูการกบเข้าเรื่องพรมิหารหลอเปรียบเทียบให้ฟังมบบกับบ้าน ก็คือหนึ่งเมตตาถ้าบ้านไหนขาดเมตตาก็เหมือนกับโครงสร้างของบ้านนั้นมันร้าวหลังคามันรั่วผนังมันเป็นโบรื่องโครงสร้างไม่ดีเปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้หลังคามันก็รั่วเจ้าของบ้านก็อยุดไม่ได้ลักษณะของคนเนี่ยขาดเมตตาคือมีบ้างไม่มีบ้างอย่างตอนนี้สมมติราคาเหล่านี้มันรั่ว ตลาเราหลังห้องรั้มีตุงหน้าต่างเสียงสารา ส, าราสาราตัตว์ก็มาแต้มหมดนี่ก็บแม่ตาเนี่คือโครงสร้างอันแรกเลยข้อที่สองก็แม่แตาการุณาการุณาคืออะไรสุนสารอินดูที่จะเขา้าขอคนทุกถ้าเป็นในบ้านของเราก็เหมือนกับว่าห้องน้ําห้องส่วมคือเป็นที่ปล่อยทุกมาก็ว่าในบ้านไหนถ้าไม่มีซ่วมเลยจะไปปล่อยที่ไหนเวลามีทุก คือทุกหนักทุกเบานี่นแหละที่เป็ตัวเราเช่นเดียวกันในร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วคือจิตมีความทุกข์แล้วไม่มีไม่รู้จะไปปล่อยได้ห้องไหนเพราะเราไม่มีห้องปล่อยอยู่ห้องกัลลูนานะี่มรู้จะกจ ป, ปล่อยที่ไหนเราจึงเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่ปล่อยมันมันขังเราไว้ในจิตแต่เหมือนกับทุกหนักทุเทกเบ า, ท, เบาที่เราขังไว้ในร่างกาย เราไม่ปล่อยถ้าเราปล่อยออกมา่อไหร่ก็เรียกว่าปลดทุกข์ไม่จะเป็นทุกข์หนักหรือเบาก็ตามก็สบายในระดับหนึ่งดีขึ้นเครียดคลายขึ้นเหตุการณ์มันดีขึ้นนี่คือกรุณาห้องกรุณาสําคัญนะบ้านไหนไม่มีนี่ไม่ได้เลยจากกระรามมุทิตาในห้องรับแขกแขกไปไทยมาต้องยินดีต้อนรับแต่ว่าไม่ใช่รับแขกทั้งวันเือไทยความดีเราก็แสดงความยินดีด้วยมโนทนาด้วยเหงนไ้ม เขาจะรู้ไม่รู้ก็ตามเมื่อเราได้ทราบข่าวดีวข่าวก็ทําให้เป็นนิสัยทันทีเอ อ, อดีด้วยโอ้ดีเนาะอย่าไปขิดอย่าไปกวางเขาเอ อ, เ อ, อมุทิตาโอเคห้องสุดท้ายคือเปกขาคือห้องนอนวันวั น, วนหนึ่งเราต้องนอนเราต้องพักถ้าจิตเราไม่พักเลยับเนี่ยทั้งวันเหมือนเราอยู่บ้านกลางวันก็นไม่นอนก็างคืนก็ไม่นอนจะเกิดอะไรขึ้น เรนั้นถึงอยากให้พวกเราเห็นว่าตัวเนี้ที่หลวงพ่อแนะนําให้ทุกคนหรือพระสงฆ์านนึ่จะตายกันทาเนสัชิ ก, กังค้าลองดูว่าคืนหนึ่งเราเราไม่อยู่ในห้องนอนน่ะจิตมันจะเป็นยังไงมันก็รับรู้อารมณข้างนอกอยู่ในสภาวะที่เป็นยืนเดินนั่งโดยไม่นอนหรือไม่อย่างมากก็แตะผนังแตะเก้าอี้หมายถึงหลังแล้วก็ให้อยู่ด้วยไอ้บทที่มีสติก็กลุมกํากับ อยู่เสมอมันจะได้รู้ว่าเออถ้าขาดเมื่อไหร่ขาดจิตที่มีไม่มีอุเบกขาเป็นยังไงคือวางอะไรไม่ได้เลยคือวางอารมณ์ไม่ได้เพราะนั้นห้องนอนจึงเป็นห้องที่วางอารมณ์ที่เรียกว่าอุเปกขาคือวางอารมณ์ทั้งหมดทั้งกรรมวิธามาทั้งหมดแต่วันมันไม่ได้วางไม่ได้วางเสียทั้งหมดมันยังเหลือสี่ตัวก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนรูปนะมันทําอะไรไม่ได้แล้ว ตาหูจมูกกายมือขาตาจมูกทําอะไรไม่ได้มันอุแปกขามันดับไปเฉยๆขึ้นมันไม่รับรู้คือมันไม่มีภาษะพูดง่ายเมื่อไม่มีภาษาเวทนามันก็ไม่เกิดไม่ว่าจะเป็นสุขะเวทนาทุกขะเวทนาอุแปลกวฒนามันไม่เกิดเพราะนั้นเวทนาก็จะภผัสสนี่แหละเราก็จะได้เห็นได้เข้าใจว่าอ๋อรูปเป็นอย่างนี้นามเป็นอย่างนี้ ซึ่งเป็นอยู่หัวข้อที่สามในสมัยพุทธกาลที่ก็สอนกันผล ข, ข้อทสองอันนี้เครื่องอยู่เราวิหารธรรมอันนี้คือความสําคัญถ้าใครไม่มีวหารธรรมก็คือไม่มีบ้านอยู่มันจะเกิดอะไรขึ้นคือไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วนอนนอนบนดินกินบนทรายนอนไประวังไประแวงไปมันวางใจไม่ได้อันตรายมันจะมาเข่าใจไหมจิตของบางคนที่ไม่เคยเป็นสมาธิเลย ไม่เคยวางอารมณ์ใดๆได้เลยเป็นอย่างนี้มาเต็มทุกคนบาดระแวงความกาลัวอิจฉาตาล้นพระจิตมันไม่เคยได้พักและที่สำคัญคือเจคนนั้นจะไม่มีพลังอะไรเลยเหมือนคนทำงานทั้งกลางวันกลางคืนโดยไม่พักเลยพวกเราก็ลองดูทำไม่พักก็จะเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นอันจะนำไปสู่ข้อที่สในสมัยพุทธกาลคือ สอนเรื่องรูปเรื่องน้ำคืออาจารย์ใช้ก็บรรูปกับอารูปอะไรอยางนี้อรูปก็คือไม่ใช่รูปก็คือน้ำนั่นเองน้ำก็คือสีตัวนี่แหละก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวที่เป็นรูปก็คือร่างกายคือขันห้าคือดินน้ำไฟลมเรียงลำดับตามนี้คือลมอยู่ข้างหลังแกดินนะไฟลมเหมือนแต่ละเย็นเฉียวใจแจ๊กเก็ตอย่างนี้ร่างกายเราก็พระกอบอย่างนี้ ปรทําอย่างไรเรที่มองเห็นว่าดินน้ำพายลงอันนี้ถ้ามันชัดขึ้นก็โดยการเริ่มต้นสมาธิอรรถปฏิสิณนี่แหละเพื่อฝึกสมาธิเพื่อให้จิตมันคงจนเกิดนิมิตเกิดเครื่องหมายหรือุขานิเมิตคือนิเมิตปรากฏขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างรูป ท, ที่ร่างที่มันปรากฏเกิดจากอะไรเกิดที่กันมันจิตมันนึกมันปรุงขึ้นมามันก็นออกมาเป็นภาพที่เราอุขานิมิตปฏิภาคริมิต คือแยกส่วนแยกที่รูปที่เห็นนั่นแหละเอาเป็นส่วนส่วนยังไงส่วนนี้เป็นรูปส่วนนี้เป็นนามมันจะได้ชัดยิ่เพราะฉะนั้นในขณะที่เราลืมตาเราก็าแยกรูปได้ตอนนี้อยู่รูปอันนี้คือนามในขณะที่เราตาแล้ก็เป็นนิมิตเราสามารถแยกรูปว่าอันนี้คือเรื่องรูปอันนี้คือเรื่องนามนเวลาเกิดขึ้นกับชีวเราจริงในขณะที่จิตเราเกิดขึ้นเราจะได้รู้ว่าโอไม่ไว่าสุขหรือทุกข์กข็ตาม มันจะแยกบอกว่านี่เป็นเรื่องของกายเป็เรื่องของรูปนี่เป็นเรื่องของใจ เ, เรื่องของนาำสุดท้ายก็คือตัวนามเนี่ยอุทิศไปต่อข้างหน้าพระวังพะจิตคือจิตที่จะไปต่อข้างหน้าจิตที่มันก่อพัจจชาติจนกายที่มันกระดับกายคือดินน้ำไฟลมเขาก็หมดโดยสภาพเราจะเป็นอายุมากอายุน้อยยังไงก็ตามต่อท่านอยู่ ถึงรอยมาถึงร้าก็ต่างสภาพเหมือนกันหมดเก็แก้ยกยากยไปตามไปตามหน้าที่ของเขาซึ่งมันมันไม่ใช่ของเราเราฝึกคิดอย่างนี้ตั้งแต่ดังที่มันมีชีวิตอยู่ตั้งที่มันใช้ได้อยู่มันรคบกลบได้อยู่ฝึกให้มันชนานาญก็คือว่าสีนั่นเองให้เห็นตั้งแต่เรายังมีชีวิตอยู่ยนะี่แหะก็คือของพูกนี้ในขณะที่เรายืนเดินนั่งด้วยความมีสติ นอนไม่ต้องพูดถึงมันไม่มีสติพูดถึงไ ม, ม่ไดยอมไม่ไดนําให้ด่นเพราะมันไม่มีสติเป็นอายุที่มันขาดสติสติไม่เกิดอะไรเลยการยืนเดินไอ้บทที่มันใช้ได้เยอะก็คือแค่เดินขับนั่งก็นั่งยืนมันนานไม่ได้เพราะเลือดมันไปเลี้ยงสมองมเป็นเรื่องของสัตระยร่างกายแต่ถ้านั่งไม่ได้นานยืนั่งอย่างพระเจ้านั่งกันดั่งซ้อนกันคือไม่ขัด เลื่อนลำมันก็จะเดินสะดวกมันจะนั่งได้นาน cai. ขาขวาถ้าขาดซ้ายมัอกวาถ้ามือซ้ายเลื่อนลำมันก็จะเดินสะดวกแต่มันก็จะเห็นเริ่มเริ่มเห็น เ, เ, เวทนามาแล้วเราเห็นรูปครั้งแรกต่อไปก็เวทนาเห็นว่าเริ่มทุกข์เช่นปวดปวดแข้งปวดขาไม่เคอนั่งนานสิบนาทีสิบห้านาทีเริ่มมาแล้วเขจะมีทุกข์ปรากฏจะปรากฏก็ไม่ชอบละไม่อยากให้มันมีไม่อยากให้มันเป็น ทนไม่ได้นี่คือสภาวะเรียกว่าทุกขเกิดกับใครก็ทนไม่ได้อยู่อย่างนั้นไม่ได้แต่ถ้าเราดูเรามองธรรมชาติของเขามองจบที่วิปัสนาอารมณ์ก็วิปัสนาคือเห็นการปรากฏขึ้นการตั้งอยู่และการดับไปของมันนั่นคืออารมณ์วิปัสนาถ้าจิตมันยังไม่เห็นของบนนี้เป็นกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบก็ไมเชื่อว่าวิปัสนาคือไม่เห็นสม้งห พ้าบทภาเราง่าคือต้งไม่เห็นตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยไปเห็นอย่างไดจะาหนังเกณฑเห็นตั้เกิดกับโอริเกิดเนี่ก็จบละไปได้ตายมันจบละอันนี้ไม่ใช่วิปัสสนาเพราะไม่เห็นเป็นกระบวนการมันต้องเห็นนั่นแต่ต้นจนจบการเกิดขึ้นของมันการปรากฏตัวของมันการดับไปของมันหายไปของมันผลเป็นอย่างไรจิตมันก็จะได้รู้จะได้เห็นจะได้เข้าใจวิปัสสนามันจะเกิดวิปัสสนาคืออะไรคือปัญญา นขณะที่เราคิดรู้ว่าอันนี้การเกิดนรืการตายเกิดแตกแต่แตกอันนี้คือสัญญาสัญญามันทำหน้าที่มันยังไม่ใช่ปัญญาต่อการให้เกิดปัญญาคือปลายทางของอิปัสนาอิปัสนามุ่งไปที่ปัญญาแต่จริงแยกกรรมฐานภายหลังทันทีแยกปัญญาคือสมถะกับวิปัสนาสมถะก็บ่งไปที่ความสงบ อ, อุชรลบายใ ด, ยดก็ได้ที่ทำให้จิตของเราสงบแล้วแต่สะดวก เราแต่สบายไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกอย่าไปผูกอย่าไปติดไว้กับความถูกความผิดมันจะไม่เกี่ยวกันเพราะนั้นความสุขสบายแล้วจริตนิสัยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนไม่บริการอะไรเลยแค่เราหายเข้าไม่ว่าจะออกก็ก็อยู่ได้คนแค่กําหนดมันก็หลงได้มันไม่เหมือนกันมีบอกว่ามีอะไรดีหรือไม่ดีมันไม่เกี่ยวกับดีกับไม่ดี กติกาอยู่ที่ว่าเฉลิฐนิสัยอันที่สาคัญที่เราไม่รู้ก็คือเราในที่ผ่านมาหมายธรมะตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเราไม่รู้ว่าเฉลิฐนิสัยของเราเป็นอย่างไรซึ่งต่างกับพระพุทธเจ้าเวลาจะสอนใครหรือเป็นในสัตว์ใครที่เข้าข่ายในพยานของพระองค์พระองค์จะเห็นว่าโอ้ oh, ปณิสัยแจกอตั้งแต่ต้นตั้งแต่ที่ผ่านมาตั้งแต่ดีต่ชาติคนนี้เขาเฉลิฐนิสัยเขาเป็นอย่างไร อาารย์สอนถูกคนถูกวิธีมันก็ได้ผลง่ายคนคนนี้นก็เคยทามาอย่างนี้เตี่ยวอย่ังสื่อสอนเขาก็นึกไม่ออกอเพราเฉลี่นิสัยในอดีตชาตินั้นไม่เหมือนกันลักษณะขารสอนของพระพุทธเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแต่จะเอาแต่ละคนมาเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างไม่ได้แต่เช่นสอนพระเจา้าวิคีท่าก็สอนอีแบบสอนภูรูศรีก็สอนอีกแบบอย่างนี้นเป็นต้นเพราะว่าเฉลี่นิสัยในแต่ละมันไม่เหมือนกัน พุทธศีลเขาเล่นไฟพุจจาก็สอนเรื่องไฟบว่าราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาชันเปรียบเส้นเราเรียกว่าเป็นไฟนะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะเพราะพวกนี้เขาเล่นไฟอยู่แล้วก็อยู่กับไฟเล่นปืนเล่นไฟเพ่งไฟมันก็เห็นชัดเจนมันก็รู้เรื่องเลยง่ายแต่ไปสอนเรื่องอื่นเข้าใจยากนี่ลักเปลี่ยนกับตอนปุจจาสรุปก็คือสามเทีอันนี้ มีผู้เช่าสวดแล้ที่สําคัญก็คือสุดท้ายปลายทางก็คือรูปกับนามอังนี้เป่อนามก็คือท่าสี่ขันห้าที่เราขันห้านี้ที่จะเป็นรูปกับน้ำเพราะฉะนั้นเวลากําหนดต้องใช้ว่ากําหนดก็กําหนดรูปกับนามอันนี้แหละว่ากําหนดว่าอันนี้เป็นรูปอันไหนเป็นน้ำรูปมีลักษณะเป็นอย่างไรนามมีลักษณะเป็นอย่างไรรูปกับนามนี้มันจะอยู่อยู่ไปทิงไหนทิงไหนน้ำก็เช่นเดียวกันมันจะไปทิงไหนทิงไหน นั้นถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วจิตเกิดป <iso es> ัญญาแล้วจิตมีสติส <providing> ต <work> ิสมาธิปัญญาแต่เราเริ่มเปลี <so> ่ยนสมาธิให้มีส <Ces> ติมันเกิดปัญญามันก็อบรมกลับไปกลับมากลับไปกลับมาจิตที่เป็นสมาธิสติมันก็เกิดสติมันก็เกิดปัญญามันก็ปรากฏปัญญามันปรากฏมันก็มาอบรมต่อนี่วนไปเรียนมาอยู่อย่างนี้เพราะนั้นใช้ปัญญาแล้วก็ทํำความสงบใหม่ใช้ปัญญาต่อไป จึงเป็นวิถีทางที่ทําให้เราสามารธิเกิดไกลๆกว่านี้ได้ไม่ใชสมาธิหรือสมาธิอย่างเดียวรับหูหลับตาแต่พุดตะพื้นในขณะที่นั่งสมาธิจิตไปไหนก็ไม่รู้คิดไรก็ไม่รู้ไม่ดึงกลับมาหาตัวเองแล้วแตลิเปิดเปิงก็ได้แต่นั่งสามส่วงสี่ส่วงก็ได้แต่นั่งเพราะไม่เกิดปัญญาแต่ก็ยังดได้ความอดทนได้เพิ่มความคัตติบาลมีนแต่ปัญญานี้เกิดก็ไม่เป็นไรถือว่าเปลี่ยนพื้นฐานเป็นรองรับ หลังกระบวนการสริ่งเหล่านี้มันก็เป็นอย่างนี้ทีนี้อยู่ที่ความถนัดของเราว่าจะยกอะไรขึ้นมาตัวชนะส่วนนิมิตนั้นมันก็ไม่เหมือนกันแต่ไปคิดว่าคนนั้นนั่งและเห็นอย่างนั้นคนที่เห็นอันนี้เหมือนกันบางคนก็ไม่เห็นเลยหมานิมิตนั้นไม่มีทั้งรูปเสียงกลิ่นนี่คือคำว่านิมิตเพราะนั้นแต่ใครคนที่ปฏิบัติในสัจจีการคะอย่างต่อเนื่องชัดเจนนะจะเห็นพวกนี้ชัดมากแม้แต่ดินนะ้าไฟลมเน่ยก็เช่นเดียวกันมันจะเห็นชัด เราจยในตัวเราในตัวเราเองนี่กลิ่นมาเลยขึ้นจะเร็วเร็วกว่าปกติเร็วกว่าคนที่รววาไม่ปฏิบัติเสียงประเช่นเดียวกันรูปรูปก็คือดิน้าฝันลมนี่แหละที่เป็นรูปเนี่ยมันก็จะชัดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่านในวิธีมันปรากฏที่เป็นสภาวะที่มันกระทบเร็วผัสสะที่เป็นอย่างนี้ก็เพาะว่าจิตของเราเนี่ยมันน้อมไปรับออกมา น้อมรับกลิ่นน้อมรับเสียงน้อมรับน้อมเอามาแล้วมันมีผลคือภาษะคือมันกระทบกระทบอะไรกระทบจิตแต่ในขณะดได้มากระทบแล้วสติมันไม่พอเราจะรู้เราทำไมจะรู้มันไม่พอเพราะมันกระเพื่อมมันกระเพื่อไปตามที่มันกระทบนะแต่ที้ถ้าเรามีสติเราก็รู้ว่าอ๋ออันนี้มันไม่ทันมันมันมันเตลิดไปแล้วตนดึงกระมาให้มันมีสติใหม่ใถ้ามัสติเอพอ พักพักโดยไร ด, ด้วยสมาธิสมาธิคือพักจิตโดยว่าถ้าเป็นกายทาอัปปนาได้คือพักไปเลยมือนก็เรานอนหลับพักจิตคือนอนหลับในขณะที่าหลับเราจะไม่มีสติปัญญาใดๆเลยเช่นเดียวกันในขณะที่เป็นอัปปนาสมาธิมันจะม่เกิดอะไเหมือนตอนนี้ฝนตก้ารองมันจะไม่รับรู้ข้างนอกใดๆเลยมันจะอยู่ข้างในมันจะหลบอยู่ข้างไในร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันต่อให้มันร้อนเย็นด้านอ่อนแข็ง เงื่อนท่วมโดยแดมันก็ไม่รับรู้คือไม่รับรู้ข้างนอกนี่คืออภินาแต่ว่าจิตส อ, อนออกมาแล้วมันจะเป็นกํำลังมันจะรู้ว่าอ๋อในฝนตกแดดออกข้าร้องมันกระทบอะไรรู้เย็นดอนอ่อนแข็งเราจะเข้าใจในเราอ๋อมันเกิดจากภาษานี้เองมันจึงไปเกิดป็นตำนานเห็นไหมมันจะเป็นเองอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีใครบอกใครสอนในขณะเดยียวกันถ้าจิตมันแจกเอนาดนี้เบื้องตน้น มันจะมีความรู้สึกขึ้นมาออกกายเป็นอย่างนี้จิตเป็นอย่างนี้ในขณะที่จิตมันรับรู้ข้างนอกอยู่เกิดพัดสะอยู่นี่มันเป็นเรื่องของกายกายนุ่งร่วนเลยแต่ถ้าจิตมันหลบอยู่ข้างในอันปนาัปปนมันไม่เกี่ยวกันะเรียกว่ารูปนี่จึงเป็นที่มาคําว่ากําหนดรูปกําหนดน้ำเพระสุดท้าแล้วเราก็จะไปกับอารูปคือน้ำนั่นแหละแต่ที่เรียกว่าอารูปแต่มันก็มีรูปอยู่ไม่ได้แปลว่าไม่มีรูปคําบอารูปมันมีรูป แต่รูปนั้นมันยึดเอาสิ่งที่มันจินตนาการสิ่งที่มันนึกจิตมันมโนนั่นแหละก็เป็นภาพออกมาเราจะเรียกว่ามโนภาพคือจินตนาการนั่นแหละนึกแะไรมามันก็จะไปตาม น, นั้นแตนี้ความระวังก็คือถ้าเคยนึกแต่ของไม่ดีจะเกิดอะไรขึ้นมาต้องระวังจินตนาการนั้นถ้าพูดว่าของไม่ดีขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเป็นหองหาอะไรคนนะตอนนี้คนนู้นสิ่งนั้นสิ่นี้สิ่งนู้ น, น, น, น, นมันจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าประดังว่าจะปรากฏเครื่องมโนภาพนั่ น, น, น, นแหลที่เรียกว่าพบชาติมันเกิดจริงๆแล้วพบชาติอันนี้มันเกิดทุกขณะลืมตาอยู่มันก็เกิดแต่สติเราไม่มีมีไม่ทันเราเข้าใจเองว่ามันไม่ใช่พบชาติจริงๆพบคือภาวะอนเะไรความอยากได้อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากไม่อยากเป็นมันเกิดอยู่ตลอดเวลาตืมตาลืมตา มันเกิดอยู่ทุกอริยบทพบอะภพนั้นที่เราเกิดนั่นก็เกิดจากพบเกิดจากพบชาตาิชาติก่อนนี้เป็นชาตาิชาติเองจะเกิดเนี่ยก็มาจากพบคือภาวะภาวะคือคือภพคือการมาพบรูปภพอรูปภพคือจิตจิตมันไปคข้องอยู่ในกรรมอาภพเดือกามคุณกรรมโทษก็คือคนที่เข้อาอยู่ในกรรมคุณการมาคุณทั้งห้าเนี่ย รูปสิ่งที่รับประส น, นี่คือกามาพบจิตของดวงใดก็ตามถ้าไปคล้องอยู่ในสิงเหล่านี้มันไปการหยุดหมกมุ่นอยู่ในกรรมาพบนึกน้นองทีนี้จะไปสูงไปต่ําไปดําไปขาวไปยังไงเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่มันก็จะอยู่อย่างละแตละนี้คืออย่างหนึ่งไม่พ้นต่อให้มันสูงไปกว่านี้มันก็จะอยู่อย่างนี้แต่มันละเอียดทำเองอยู่ได้นานแต่พบของพวกเรามันอยู่ได้ประมาณร้อยปีนี่กามาพบ แต่ในที่เรายังบริโภคคือใช้สอยของบุญนี้อยู่จิตบุญนั้นก็จะเป็นนั่นคือน่าเกลีอรูปประกอบอารมณ์ปรอันอันี้น ก, นนนนก็ละเอียดก็นหนสูงก็ไหนคือพรหมพู้เทวดาเทวดาเขาก็มีรูปแต่ว่าการใช้ชีวิตของพวกเรามไม่เหมือนกับพวกเราอยากกินแค่นึงอยากกินมันก็อิ่และเขาเรียกว่าสวยไปสวยอารมณ์ก็คือทำไมถ้าบอกสวยอารมณ์เพราะว่า เขานัดจะแตกเปทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขไม่เริ่มต้นจากรูปเหมือนพวกเราแต่ว่าเขาต้องจําเป็นต้องอาศัยรูปนั้นเพราะอย่างนั้นทิติจิตชิติวิญญาณมันไม่มีที่ตั้งวิญญาณมันต้องมีที่ตั้งคือที่อยู่เหมือนคนมันต้องมีที่อยู่มีที่พักมีแต่จิตก็เหมือนกันมันล่องลอยไม่ได้ไม่ใช่สัมภเวสีสัมภเวสีมันก็ยังล่องลอยแต่มันก็จะอาศัยรูปที่มันจําไปนั่นแหละคือสัญญา สัญญามาทำหน้าที่มันก็จำรูปวันนั้นไปมันจะเป็นรูปจาญรูละเอียดก็คือนี่เม็ดอนะถ้าเป็นคนนั่งสมาธิก็คือนี่เม็ดนั่นเองอันเดียวกันเลยนนั้นถ้าเราฝึากอย่างนี้จนเข้าใจนะเรื่องขามนิ่มเม็ดคือสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองแล้วเข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามแล้วก็กำหนดพดรุทธเจ้าใช้ว่ากำหนดธำบัญละสิ่งเหล่านี้เพราะว่าใครละไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ทุกคนทุกนาม ไ ม, ม่ใครละคือไม่ให้มันมีไม่ได้เพราะนั้นที่ เ, เราคิดไปแยกกาหนดรู้สิ่งเหล่านี้กําหนดรู้ก็คือกำหนรู้ตามความเป็นจริงแล้วก็แยกเขาออกตามควเป็นจริงวันหนึ่งข้างหน้าถ้าเราจิตมันจะออกจากร่างแล้วกายก็คือกายจิตคือจิตจิตจะกำหนดทันทีมันก็จะมจิตมันจะดับก็ออกจากร่างนี้ไปมันก็จะไปหาที่เกาะใหม่ทัดลา้รูกไม่ดีก็เขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ได้ ฝึกฌานมาเป็นรูปประฌานก็ดีอารมณ์ฌานจะได้เปรีย่ยแต่ก็ไม่ได้ไปไหนไปไกลยมากกว่าพรมมันก็ไปคล้องอยู่ตรงนั้นแหละคล้องถีอรูปคล้อไปที่เวทนาของปฏิสัญญาอาการวิญญาณก็เรียกตามชื่อในนั้นแหละเราไปอ่านดูแต่ละชั้นเวทนาสัญญาในรอคือจำเวทนาคุณยังไงจะคำความรู้สึกอันนั้น แต่ควารู้สึกเขาเป็นความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่ไม่ดีมันไม่มีแค่นั้นเองแต่แต่ก็ยังคล่องอยู่ก็ยังติดอยู่ในอารมณ์นั้นอย่างนานเซนาก็ยังติดอยู่เมื่อหมดจากสิ่งเหล่านั้นคือมันเสื่อมพูดง่ายง่ามันเสื่อมเหมือนเราสมาธิใครได้คนสมาธิแล้วเสื่อมจากสมาธิเราจะรู้ว่าจิตถจิตมันเสื่อมแล้วจะเป็นยังไงมันสามารถที่จะกําหนดได้หน้าที่จะทมันเป็นได้เนี่ยมันจะเกิดความทุกข์นอยู่ไม่ได้อยากตกยอ็ ก็เหมือนกับผู้เราเมื่อก่อนคือนั่งแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นเห็นอย่างนั้นเห็นอย่างนี้เห็นอย่างโน้ตอนนี้ไม่เป็นกะยากโดยไม่รู้ว่าอยากนั่นคือตัณหาไม่รู้ว่าตัวตัณหาตัวเป้งๆเลยคว่าอยากนั่นแหละคือตัวตัณหาเนยเป็นตัวต้นเหตุผู้เจ้าบอกนี่ยคือตัวต้นเหตุไม่ใช่ตัวป่นนะคือตัวเหตุเราจะแก้แคแก้ที่เหตุอันนี้แหละถ้าเราเข้าใจ ตอนเราดักขั้นตอนนี้เรก็ฝึกกําหนดรูปโนตามโดดธาตุต่งางๆคือดินน้าไฟลมคือธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งหา้ารูปเวทนาจิตสังขารวิญญาณให้เข้าใจจนเกิดปัญญาจนรู้แจ้งนจนตะกรยงเด็จริงสุดท้ายก็ก็เข้าใจว่ารูปกคำนามเป็นอย่างนี้เหมือนตอนนี้ออกจากบ้านเข้าใจว่าท่นบ้านเราไม่ได้อยู่บ้านแล้วเนี่ยจิตมันก็ทําใจได้ไม่ได้อยู่บ้านบ้านจะรั่ว อะไรก็นปเรื่องของบ้านไม่เกี่กับเราแะเหมือนกันร่างกายกับใจก็เช่นเดียวกันเมื่อเจ็ตมาออกจากร่างกายนี้แล้วคือบ้านนะบ้านอะไรมันจะรั่วมันจะลตกแตกผลใครจะเอาไปเผาใครจะฝังมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันเพราะมันไม่มีภาษาภาษาไม่เกิดมันก็เวธนามันก็ไม่เกิดเพราะจิตมันไม่อยู่กับร่างเพราะด้นสภาพอย่างนี้มันเหมือนกันหมดเรื่อวัตถัยลักสามัญญะลักษณะคือลักษณะที่มันเสมอกันหมดของสภาพสว์ทั้งหลาย มันไม่มีใครที่แตกต่างลอกเหนือประจาวนันไม่มีเลยอันนี้คือสิ่งที่พรูเจ้าโสงมองเห็นแล้วพระยามเพียนพยายามที่จะเบาเราเพราะฉะนั้นพวกเราก็คือพยายามทำตามนี้แล้วก็คิดอย่างนี้อยู่ในแนวความคิดเนี่ยกบพูดแนวการกระทําในชีวิตประจําวันให้มองสิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะเป็นกิจกิจคือกิจจริตต้องทําเป็นเรื่องที่ต้องทํำในแต่ละวันในทุกวันก็มาทบทวนดูสิ่งเหล่านี้สุดท้ายเราเข้าใจะอันนี้ ตัวนี้เป็นอย่างนี้ตัวนี้เป็นอย่างนี้เราก็อยู่ได้เหมือนกลางวันกับกลางคืนเราก็รับได้เมือนตอนนี้ยเป็นกลางคืนพอรู้โอ้นี่กลางคืนนะมันก็จบแล้วมันจะไปโอ้ก็คือมันจะมืดมไหีมันจะหลอกไหมมตนจะไปต่ออรู้โอ้นี่กลางคืนพวกนี้กลางวันอีกมันก็เป็นอยู่อย่างเนี้ยเพปัญญการเวียนว่ายตายเกิดของเราหรือบาดแผลมันก็เป็นอย่างนี้สภาวะจิตของเราก็เป็นอย่างนี้เพียงแต่เรา มันยาวนานนั่เองจริงๆแล้ววัตตะก็ดีพบก็ดีมันเกิดขึ้นทุกวันพบก็คือความคิดการพูดการตามของเรามันหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกวันแต่เราไมา่รู้ว่าเป็นวัตตะหรือวนคือมันวนกลับมาคิดเรื่องเดิมในกัลวัตตะมันพูดเรื่องเดิมเดิมในกัวัตตะมันทำเรื่องเดิมนี่กัลวัตตะตแติวิธีทำนีะคิดพูดทํำนีะเป็นเรื่องเดิมเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีเท่านั้นเอง เพราะนั้นตัวนี้สติก็มาใช้ตรงนี้ปัญญาเข้ามาใช้ตรงนี้ทุกวันเราไม่มีสติคือไม่ได้ใช้สติไม่ใช้ปัญญากับเรื่องเหล่านี้เราจึงไม่เห็นแจ้งไม่รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงนี่คือปัญหาเรานี่คืออุปสรรคของเราเพราะนั้นถ้าทําลายอุปสรรคหรือตำหนานี้เม่ได้ก็คือทําลายอวิชชาไม่ได้คือความไม่รู้อวิชชาเขาไม่รู้ไม่รู้ว่ามันคิดวนอยู่ได้มันก็ยังคิดอยู่ ไม่รวนพูดวอนอยู่แล้วมันก็ยังพูดอยู่ไม่รู้มันทำวอนอยู่อย่างนี้มันก็ยังคนอยู่เพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วคือเข้าใจเรื่องความคิดการทำอะมันวนซ้ํากเหมือนเดิมออกแก่สิ่งละตัดสิ่งเหล่านี้ได้เข้าใจสิ่งละทัศเรือวิวัตตะคือเปิดคือตัดจากวงกลมคือวนไปวนมาก็ตัดวงกลมอันนี้ได้พก็ออกจากวัตะจะเรือวิวัตตะคื อ, อ, อ, นนค ว, อวิ วัฏฏะทำทำเป็นไปว่าเปิดวัฏฏะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังวนไปเวียนมาเหมือนเดิมนั่นคือวัฏฏะละมันเกิดทุกวันไม่วันไหนที่มีวัฏฏะพบก็เกิดทุกวันไม่มีวันไหนที่มีพบชาติก็เกิดทุกวันไม่ได้แปลว่าเกิดเป็นคนคือการเกิดขึ้นกาสาปสิทธิ์ทั้งหมดว่าจะเป็นเรื่องอารมณ์ของเราก็ตามแต่เราไม่เห็นความดับคุณยังไงเคยเมีนความตายของมันแต่เป็นคน รู้ว่ามันคุนี้เกิดนะแต่ตอนตายไม่เห็นแต่รู้ว่านั่นน่ยเออ ม, มันคี่ปรากฏตัวเนี่ยพราะมเกิดจากการเกิดนะแต่ตอนตายเราไม่เห็นผมาม่ได้ไปผอมา ไ, ได้ไปฟังเขาเรียกไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการตั้ ง, ตงแต่ต้นจนจบะสภาวะเขาจิตใจของเราก็เลยเป็นอย่างนี้มาตลอ ด, ดำำเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมจำสินภาวนาของพวกเราทั้งั้งหลายก็ต้องการให้เห็นจอมนี้ตามลําดับตั้งแต่ต้นท้ากลางจนสุดท้าย แต่จะได้ว่าอารมณ์ของวิปัสนาเป็นอย่างนี้ถ้าใครยังไม่เห็นอารมณ์นี้ก็ไม่ชื่อว่าพี่ปัสนาคือไม่รู้แจ ง, ง, ง, งจริงๆตามความเป็นจริงต้องเป็นความจริงด้วยนะเสร็จรแล้วก็โอเปก ค, ค่ะคืออยู่ในห้องนอนคือว่าอารมณ์ก็เราอนอนแล้วก็ไม่ได้สนใจแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแบบปรอบภาษาพอรู้ภาษาคือกระทบคือจิตคือตื่นรู้รับมาครับมากระเดิมเช้าก็มาก็ตื่นมันรู้ออยังมีชีวิต อ, อยู่ที่ที่หมดมื่อกี้มันฝัน มันหลับแต่ข้อดีของมันคือร่างกายมันพักจิตมันได้พักเหมือนกันสมาธิก็เช่นเดียวกันถ้าใครทําได้แม้อาทีสิบนาทีก็ตามตื่นเอกมาออกมาสซเหตุมันสดชื่นเหมือนกับหลับไปหลายตื่นแต่ถ้าใครทําแล้วไม่สามารธิจะทําจิตให้เป็นสมาธิได้มันจะเพลียมันจะเหนื่อยมันจะล้าสับปะกกไปสักพักเห็นไหมหลับไปสภกพักก็ตื่นขึ้นมาเออมันสดชื่นแล้วะจิตมัน้พักนั่นคือระวังกับจิตจิตอิฐเดียวเอง แต่ถ้าทำได้มากกว่านั้นจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยจิตเราจะมีกำลังจิตจะมีพระลังคือมีสติมีปัญญาสติก็คือกำลังอย่างหนึ่งปัญญาก็คือกาลังอย่างหนึ่งถ้าใครไม่มีสติถ้าใครไม่มีปัญญาก็คนไม่มีกำลังนั่นเองคนไม่มีกำลังทำอะไรได้ยกของ2อกิโลสกิโลก็ไม่ได้ตัวคนที่มีกำลัง50กกิโลยกได้เพราะเขามีกำลังจิตก็เราเหมือนกัน ถ้าไม่มีกําลังก็ไม่มีทางที่พิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้รู้ยิงย่งเห็นจริงตามความเป็นจริงได้เพะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของเราทั้งหลายเพื่อมุ่งเน้นให้เห็นสิ่งเหล่านี้นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตประจำวันเราก็จะชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอยู่เสมอแต่สิ่งที่ปฏิบัติธรรมเหล่านี้รวมทั้งหมดแล้วภาษาโบราณแสดงพูด ก, กันท่านเรียกเจนีว่าภาวนาภาวนาแปลว่าทำแล้วมันมี มันเกิดขึ้นมันเป็นภาวนาจิเรลทําให้มีทำให้เป็นทำใเกิดขึ้นคือมีของดีเกิดขึ้นมีความรู้มีความฉลาดเกิดขึ้นเพิ่มเติมในชีวิตในจิตวันจาเรียกวาภาวนาแต่มันก็ไม่ไม่เรียว่าภาวนาเพราะฉนั้นภาษาโบราณหรือสมัยเก่าท่านเรียกรวมๆสิ่งนี้ว่าภาวนานั่นก็ภาวนานีนเป็นมุ่งปฏิปัญญาเพราะนั้นการภาวนาของเราต่างหากขอให สติสมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่องสุดท้ายก็คือเกิดปัญญาก็รู้แจ้งย่างจริงตามป็จริ ง, งระจะได้เข้าใจรูปเข้าใจนามว่ารูปอยู่ยังไงนามอยู่ยังไงนามมันจะไปยังไงมันเกิดยังไงมันดับยังไงภบเป็นยังไงชาติเป็นยังไงเราจะได้เข้าใจอะวัตตะเป็นยังไงเข้าใจเสิ่งเหล่านี้ได้มันก็จะคลี่คลายคือใจจะมีความไม่ตกกังวลในขณะที่แต่อย่าไม่เข้าใจเสิ่เหล่านี้ใจมันยังไม่มีที่ทางเลยมันกําหนดไปได้ ชีวิตกิจะแต็ม ไ, มได้ยปัญหาแบบ ก, กังวลว่าบางคนกังวลตายแล้วจะไปไหนไปวนเหนืนออนาคตอีกที่ผ่านมาก็ไม่กังวลแต่ถ้าเราเข้าใจนี่ไม่ต้องไปกังวนอะไรเลยวัตฏะกัตรงนี้แหละพบชาติกับวันนี้แหละมั น, นมีที่อื่นเหมือนกันนะถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้เราเข้าใจพบเข้าใจชาติเข้าใจวัตฏะก็ชื่อว่าวันหนึ่งจิตมันก็จะอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่อปกติ มันกวนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้แหละกลับไปกลับมาดินด้านไปลมมัสุขทุกข์เฉยๆมันก็อยู่กับมีกับโลกแบบนี้มาตลอดเป็นพันๆปีเขาก็อยู่กันอย่างนี้แหละถ้าใครไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจจิตไม่ฉลาดมันก็จะตกเยี่ยวังอย่างนี้โดดเยีะยอารมณ์อย่างนี้โยกนิ้วมาต่ายอย่างนี้ถ้าเราจิตเราอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้เราเข้าใจเสิ่งนี้ตามสภาพความจริงแล้วเราก็จะอยู่สิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสิ่งที่เราเราะทุกข์คือทนไม่ได้แต่ภาวะของจิตในตอนนั้น คือมันพ้นจากสิ่งเหล่านี้ครับจะเรียกจิตอย่างนี้ว่าจิตที่พ้นทุกข์การอยู่สบายไม่เดือดไม่ร้อนดูแบบสบายอาจจะตากแดดตากฝนอย่างไรก็ชื่อว่าธรรมชาติอรรมปัสสาะมันก็เป็นเขาอย่างนั้นพอเราไปตากมันมันก็เย็นไปโดนไฟมันก็ร้อนก็ต้อธรรมดาถ้าไม่อยากมันร้อนก็จะไปโดนไฟไม่อยากมันจะเป็นตะพุนก็จะไปตาพุนนะจิตมันก็จะหลาดอย่างนี้ แต่ทุกวันจิตเรายังไม่ฉลาดออยึงยังไม่เป็นกุศลการการภาวนาของเราก็ต้องการมุ่งถ้าจิตของเรานะเกิดกุศลเกิดขึ้นกุศลเกิดแล้วฉลาดคือคนฉลาดนั่นเองฉลาดก็คือตรงข้ามของโง่ถ้ามันไ ม, ม่ฉลาดขนาดใดที่จิตไม่มฉลาดมันก็จิตมันโง่แค่าอากุศลนั่นเองแต่ถ้าบอก่โง่มันจะแรงไปรับไมได้แต่เป็นอกุศลจิตคือจิตที่ไม่ฉลาดจิตที่ไม่เป็นกระเพาะไม่ภาวนามันทําให้มีไม่ทำให้เป็นไม่เกิดขึ้น วันนี้ก็นํำข้อเราทต่างๆเพื่อให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจในเบื้องตน้นว่าสมัยพุทธกาลในถึงปัจจุบันนี้สอนไม่ต่างกันแต่วิธีการหลักการที่เรามาย้ามาเรียนสอนแต่ละที่แต่มันต่างกันตอนนั้นเองแต่ว่าหลักการในกันไม่ต่างกันเลยผู้จ้งก็สอนโดยในนี้โดยพวกนี้คือมุ่งไปทุกกําหนดทุกทำมันบอกให้ละทุกให้กําหนดรู้ทุกแลก้ว ก, ก, ก, ก, ก, ก็ให้อยู่กับมันได้ มากนอ้อยแบบท้ายก็เหนือจิตก็มันเหนือไปได้เราจะเข้าใจเรื่องอื่นไม่ต้องไปกังวลว่าพบจะยังไงชาติจะยังไงตางเป็นยัง ไ, ไงโกสวรรค์เป็น ไ, ปไงไม่ต้องไปกังวลเลยเราจะเข้าใจสิงนี้อย่างชัดเจนอาจจะโทษทีบ้างได้แล้ววันนี้ก็นําำสารธรรมะพวกเราเพื่อให้เกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราทุกคนได้เจริญจิตภาวนาเจริญกุศลเพื่อเจริญภาวนาเมื่อเราภาวน า, า, วน า, นาการเจริญแล้ว มันก็จะเจริญขึ้นในแต่ละวันแต่ละเดินแต่ละปีคือแบบไหนอยู่แบบโลกก็เจะเริงแ บ, บโลกอยู่แบบธรรก็เจริญแบบธรรมอย่างไรเราก็ยังอยู่กับโลกกับธรรมอยู่ก็ยังมต้องการความเจริญตั้งสองอย่างกันน่นก็ขอเราทลายได้เลยความเจริญทั้งทางโลกและทางความทุกคนทุกท่านเทิน